รีบประพุทธประจำประสงค์ขอธรรมต ก, การหลวงพอ่อกรรแกนผู้ครกอย่างยิ่งขอธรรตต ก, การพระเทละนุเทละคนขู่บายจานยาันเราเจอนงพี่และหลวงเ น, นทุกๆกท่านจะเล่นพร เม่ที่มัวตุบบัจการอย่าดิทำงหลายมึ ง, มงตามทำไ้ผมเป็นคนเฒ่าคนแก่มาแล้วก็ลงหน้าลงหลังไม่อยากะกูดพรรธะเพราะว่าคนจำมันเสี่ยมไปหมดมันไม่มีแล้วก็ไม่อยากจกพูด พูนี่ก็จะพูดตามอารมณ์ตัวเองไม่เคยได้เติาเรียนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้ศึกษามีแต่คมเข้าใจตัวเองที่พูดไปแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เยอะแยะไปแต่ว่ามันจำไปได้เรามันเ่าแก่มาแล้ว มันหลง ม, มันลืมมาจะว่าอห น, นุมมันก็ปาพูดไปอย่างหนึ่งอผิดลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วพ่อบวชเข้ามาตั้งแต่อายุไต้ห้าทุกเจ็ดปีไม่รู้จักภาษาอะไรหรอกออกจากได้จากนามมาก็เข้ามา ป, ป, ปฏิบัติเลยมาก็ว่า จันมาบวดสักปีเดียวแล้วก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาตั้งแต่ขอนก็วาการทำบุญในทานการรักษาศีล น, นี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็เลยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้อย่างเดียวเคีีอยอย่างเดียวไปพุทธ เปิดกับคนเท่าคนแหญ่หรือปกขึ้นมหาที่ออกมาสื่อมาแล้วก็มีเป็นพระก็มีพระเทลาร์เทลารุเทลาก็มีหลายองค์อยู่ว่ามัน ห, ด ห, ดหมดทุกหมดสมัยแล้วพวกเราหนาเกิดมาไม่ทันสมัยเราเกิดสมัยพุธทธองค์แล้วก็เพียงว่าแต่แม่มาบดมนะาแพอได้ร่วมพุทธศาสนา มาเป็นพระเนี่ยเป็นพระแล้วก็ว่า้ตัวเองได้ถือศีลเต็มสองรอยยี่บเอ็ดแล้วก็เต็มอุกเต็มใจโดนมาแตะต้องอะไรก็ไม่ค่อยได้ถือตัวหนักเจอหนาแล้วเกินเราเป็มหัวเห็นคู่ใบใจานี้คนไม่อยากจะเข้าไปถูกไปพูดไปคุยพ่อเกยงเียงมาก ท่นเป็นคนเตี้ยเป็ใหญ่หรือว่ายัางพูดคุยกับท่านแล้วว่าถ้าคุยไม่ถูกถ้าพูดไม่ถูกถ้ามึงก็ด่าว่าเอาทำแล้วก็มีนนแต่ขมข ม, ขมไม่เลยล้ะไม่ให้เป็นเนีนก็ดีเป็นพระก็ดีในต่ตีเนี่ยเือตัวถืออย่างตีนั่นเลยเือขึ้นั่งอยู่แต่าจะเดินไปอย่างนี้ก็ต้องหมอบท้องคานไป ไม่เคยม่เหมือนโดยนี้นะพอมาเข้าใจมามาเห็นหราปู่ท่านมาสอนครูบาอาจารย์ท่านไปสอนใ น, นแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรูออย้จักใครสอนมาก็พูดดีที่สุดเลยไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนเรื่องพระพุทธศกสนาก็คือพูดเรื่องชีวิตจิตใจของเราลัคนะ พูดมาเนะี่มันถูกเราหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ค่อยๆกับว่าท่านใบมองเห็นชีวิตจิตใจของเราแล้วเป็นหน้าเห็นตาเราเดินไปนี่นะ ว, ว่าท่านจะดยวิสัยอะไรอ่านออกเป็นภาษาธรรมะท่านก็จะพูดให้เราฟังแต่ที่จริงเราไม่ไม่ใช่ท่านเป็นอย่างนั้นเองไดว่าเที่ยงไปรู้จัก ว่าปวดทาอะไรไปเราคิดอะไรไปเราท่านก็คงรู้จักวิสัยของเราคิดว่าปแบบนั้นมันพอมาบุญปฏิบัติไปแล้วถ้ท่านเขาพูดเรื่องทีวิตแใจของท่านไปเองแต่มันถูกเราอย่างผีเรื่องเทวดาแ ล, แลื่มนุษย์อาณาจักรที่ฟังก็ไม่เข้าใจกว่ามันมันไม่ใช่ ไปไปลองไปฟังที่แรกนี้ก็ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันถูกมันถูกตั้งแต่พูดเรื่องชีวิตจีตใจของเรามันเป็นยังไงท่าพูดไปพูดไปแล้วก็มันมาถูกของเราหมดทํำชัว่วทำดีแล้วก็รู้จกักก็รู้ได้ว่าตั้งรู้จักเข้าใจ พอปฏิบัติมาปฏิบัติมานี่ยขอ้อไม่ดูแทนไม่จักเนี่ก็้อมาลงมาเสงไปเท่านั่นแหละแต่ ก, ก่อนครูบาอาจารย์ก็สอนสอนขอเขาแม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยสอนะแต่คําที่เราจะปฏิบัติอท่านก็พูดเรื่องถูกบ้างพูดเรื่องหลงบ้างพูดเรืนีงให้เราฟังอฟังก็ฟังดี ไม่อยากจะให้ท่านจุดเลยลก็จยากปกักับใจวันที่สุดท้ายนี่ว่าไปเห็นหพ่อเราก็คข้อเขียนพูดให้ฟังเรื่องพะอระอรหันต์ว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็เกิดมาอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาแต่ว่าเรายังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนา เราแต่งตัวไปทำแต่เปรียกแต่ก็พี่มันอยู่ข้างนางอกนี่คือการพิทานการรักษาสินออย่างเนี้แล้วก็ทากัอนอยู่นั่แหละแต่ว่าบา บ, บุญนี้ก็ไม่เข้าใจไม่ว่าตายไปแล้วจึงจะได้ไปเอาบุญจึงจะได้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ถ้าเรา <c oughs> ยังไม่ไม่ว่าไม่ไม่เข้าใจ พอพรอมาปฏิบัติเข้าไปเลยว่าเข้าเนี่ยโอ้เราเกิดมาเนี่ยเราต้องเห็นตั้งแต่ตอนเราที่เรามาเป็นคนนี้มาเรียนเนรียนให้รู้รู้ถึงรู้จั ก, จก อ, อผู้ ป, ผปีศาจให้รู้จั ก, จกไปนี่ะนะในโลกเราก็ให้เข้าใจสวรรค์เราก็ให้ใจให้เข้าใจบาปบุญคุณโทษทุกอย่างให้เราเห็นตั้งแต่เราเป็นคนนี้ถ้าเรายัง ไม่เห็นตอนที่เราเป็นคนนี่นั้นอย่าหวังเลยอย่าหวังเลยว่าเราจะได้เห็นอะไรเธอไม่รู้จักพอปลาเข้าใจแล้วโอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติแต่ท้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยได้ยินแต่คาพูดตั้งแต่ทางนอกว่าต้องมีศีลอย่างเนี้ยแต่ที่จริงนั่นน่ะยังไม่มีเลยอเพอมาปฏิบัติเขาเลย มาเห็นที่วิธีใจของตรเอง เ, เวลามันไปที่ไห น, นทั้งแตก่อนเราก็เป็นผู้เป็นกับมันไปทั้งหมดมาลงมาเสียงไปเลยแต่เขาพาไปง่ายไปอย่างนั้นตัวนั้นแต่เขาจะพาไปเปนี่ยตาของมจมูกเลื่อนกายใจอะไรมากระทบอะไรเนะี่ยเราก็เป็นไปตามเขาหมดเราก็ไม่รู้จักแก้วิธีอมีเต่าชนะ การไปแต่พึ่งแต่เพือกว่าแต่แต่จะไม่ได้ชนะ ข, ขอกลัวจะเตียเ้ยเปียบขอเนี่ยพอคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้ามีมณฑิติความตื่นเนี่ยเจ้ตัวมนฑจะไม่รับตนป่อนผันให้ใครเลยถ้าเราไม่มาฝึกไม่มาหัดชีวิตสิ่งที่เราหาได้เห็นได้เป็นอยู่จนทุกวันนี้มันก็เป็นตํามัดของเราที่จะได้เอาไปครองในเวลาต่อไปชาตต่อไปอีก กรรมของเราทําอะไรก็ได้อย่างนั้นโอ้มาไม่ไปเครียนี่แล้วขอ้อมีกําลังใจเห็นขู่บายอาจารย์สอนแล้วขอ้ออุตสาหพยายามยนะี่ยต้องพ่อยไปมาก็อีกที่แรกนี้ไหมไปเห็นอารมณ์ตัวเองตอนที่หลวงพ่อท่านพูดไปพูดมาแล้วก็ไปดูอารมณ์ตัวเองเป็นคนเกิดมานี่มันก็ต้อง มาตกทุกได้ยากก่อนไม่รู้จักตรงทางที่ไปแล้วก็เป็นทัดเดชชันเป็นตะนรลกเป็นเปรเป็นนรกคายท่านพูดใหฟังแล้วก็มาปฏิบัตินี้มาดูอารมณ์ตัวเองตอนเม่เกิดก็หนี้ทุกอย่างที่เราทำมานี่กับท่านพูดนะี่เรื่องบาปก็ตา ม, เ ร, าตามเรื่องบุญก็ตามท่านพูดให้ฟังนะเข้าใจเข้าใจแล้วก็ว่าคนเรานม่ถ้า เรามาบวชอยู่นี่ถ้าสืกอไมก็จะเข้ามาออกมักอย่างที่เราเห็นนี่แล้วของผู้ของเดิมเดิมที่เราเคยผ่านมาเคยทํามาตั้งแต่เขาเมื่อก็เป็นถึงที่ทำให้เราล้มทางอยู่ไปเรื่อยๆไปไกลออกไปเรื่อยๆไปจน ต, ตายเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่กล้าจะสึกแล้วออกปากในผู้ในคนฟังโอ้ยผมไม่อยากสึกแล้วคันเป็นท่าเป็นถึงไง ทำไม ย, ยังจะไม่อยากศึกหลวงพอ่อเพราะว่าเกิดมานี้เราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดมาทุกข์เท่าๆกับเที่ว่วเาเราเกิดมาสร้างเวดกรรมสั้างเบเนสตัวเองแล้วใครเลยเข้าใจไปอย่างนี้ไม่ไม่ศึกไปก็มันจะออกเพราะว่ามันมีหมู่มีหมู่หลายอยู่ในโลกเนี่ยเขาเป็นอยู่ยงนั้นทั้งหมดเลยี่มีแต่เพื่อน ไปอย่างนั้นหมูพวกก็เป็นไปอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าเดรื อ, <S <S ลอหลายกว่าฐานเนี่ยจะไปซุบให้มันเกิดขึ้นมาให้มันแข็งแรงเมื่อก็ไม่ได้ถ้าเราถึกออกไปเมื่อก็มีพวกเขาก็ดึงนก่นเราลงไปแต่ทางต่ำในเรื่อยๆไปเนี่ยเพราะว่าไม่กล้าถึกเพราะฉะนั้นเรามาเข็ดมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามาเข้าใจเรื่องอย่างนั้นพราเข้าใจเรื่องนี้นก่อ น, น, นมาประพฤติปฏิบัติในวอก รู้จักว่าทางออกจากทุกข์แท้ๆก็คือมาดูชีวิต จ, จิตใจดูกายดูใจของเราคํารปฏิปักษ์นี่ก็ไม่รู้จักอะไรเกิดมาใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยต้องยากยากนี่ก็ทําอะไรลงไปนี่ก็คิดว่าแต่มันถูกทั้งถูกทั้งผิดทนะั่นแหละมันก็ธรรมดาไปคิดไปทางอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็ไม่ค่อยเห็นนั่นไปก่อน เอาความเป็นผู้เป็นก็เป็นทุกไปกับเขาบางทีคิดของที่มันดีๆก็เป็นสุขไปกับเขาเอาแบบตัวทําเอาเองคิดตัวเองเนะี่ยพอเรามาเข้าใจดูกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้กายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้เนี่ยหลวงพ่อก็ค่อยทําไปทําไป คนบึกบนะึกหนาอย่างน้องพ่อเนี่ยหายากที่สุดเลยการมาพืชปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ใคยเข้าใจอืมีแต่ความคิ ด, คดมาเป็นสายมาเลยเรื่องนี้ไม่จบเรื่องอื่นก็นก็เข้ามาอีกอถ้าเราออกจากคำปฏิบัติแล้วไปนั่งอยู่อยากจะให้มันคิดมันก็ไม่คิดคอยไม่คิดมันก็ไม่คิด พอมาดั้งสร้างจังหวะเดินจงกมไม่รู้วมันวิ่งเข้ามาจากไหนบ้างเป็นเหยื่อนั่นตลอดจนว่าครูบาอาจารย์ท่านติ้งปล่อยไปเลยทิ้งปล่อยมานานแสนนานอปล่อยไปไม่อยากเอาใจใส่จลวงพ่อก็เลยน้อยน้อยใจนี่ไปก็วันหนึ่งไปนวดขาให้หลวงปู่ไปตั้งแต่สามโมงเย็น ถึงสามทุ่มก็ยังไม่บอกให้หนีเอาไปมานานเขาก็เล่เข้าไปบีบให้แล้วก็ท่านไม่ได้บอกไปให้หนีหรอกเพราะท่านนอนหลับนี่ก็ลุกหนีไปเลยถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้จะไม่ได้นอนนะมันดึกแล้วอยู่ทําอยู่งั้นแหละจนซอนว่าทําไงก็ไม่ได้เวลาท่านหนีอน้องผูผม เกิดมานี่ผมไม่ไนสร้างคุณนงามความดีหรอกครับผมเป็นคนบาปคนนสร้างแต่คนพูงนะควาดีนี่ไม่ได <Him S 3> ้หรอกมีแต่ทุกข์สร้างบาปแต่บาปนะมันไปแต่ทั้งนั้นพอมาเดินเข้าขอคิดเห็นไเห็นนาเห็นวายเห็นควายเห็นพี่เห็นน้อมสารพัดตั้งแต่มันจะเกินเป็นใบอ่คิดเห็นเคยไปทําอะไรมามันก็ไปเอาเรื่องตั้งแต่เราเป็นนู่นนะมาคิด เนี่ยผมไม่ไมผมทําหมดได้หล้วครับผมไม่ได้เลยไ ม, ม่แต่อยู่ในความคิดทั้งหมดเลยผมพูดให้ท่านฟังหมดนั่นแหละคือเดินไปนี่ผมจะทําำไรมันก็ไม่ได้มันได้หายไม่ไม่เลยหายความคิดว่าเลยเดินไปเนี่ยพอเท้าเท่วเท้าตกพื้นเนี่ย<ๆ>เข้าขวาก็อลู่ พร้อมกับตีนมันตกทื่นมองดูแล้วก็เอาใจตามไปตามขั้วขึ้นใหมของตัวเองค่อยขึ้นไว้ไปขึ้นไว้ไปนี่และนับไปทั้งนับด้วยทั้งนับในใจนะนับไปนับมากลับไปกลับมามันไม่ได้หยุดไ ม, ไม่ได้ย่อนต้องทําอยู่เป็นหกวันเจ็ดวั น, วนก็ยังไม่หายทําอย่างนะี้ลองทดลองอยู่พอได้เกะหกเจวันก็มาทดลอง ตวองว่าเราไม่ต้องว่ามันจะเป็นไงมันจะได้กลัขึ้นไหมมันจะอยู่ได้อยู่ที่ไหมก็ทําไปพอทําไปทามันไม่คิดอยู่อีกก็ทําอีกต่อไปแต่ว่าห่างออกห่างออกค่อยๆทาไปพอทุกเท้าถ้งดินก็ ร, รู้รูู้กลับไปก็มากลับรู้ร เนี่ยวันมันมํนมนาทำมานานแล้วก็ลูกก็ลูกก็ไม่เข้าใจวันนี้เอาไปเอามาก็เน่กว่าเราเราเรา เ, ราเข้าใจเข้าใจไอ้ลูกเข้าใจนามแล้วก็เขาก็ว่าเอานั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านไปให้ลมว่าหลวงพอลูกรูกนามไม่รู้ไหมครับว่าพอท่านยกมือให้เห็น อท่านแต่งมือให้เห็นนี่อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรมาเนี่ยไม่รู้ขอทาไงม่เนี่ยขอเลยเสีย อ, อกเสียใจว่าเรามาตั้งมาอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วก็ยังไม่รู้เล ย, เลยพวกพระเร็กพระน้อยเขารู้จักหมดมาเ น, นี่ยก็จะ ไ, ไปล่าท่านนี้แล้วพี่ท่านล้านาน้องโภ เวลาก็ช้านมาคนนี้ตายไม่ตายเป็นหมดทุกคนนะพ่อบารามีเนี่ยเรามาสร้างบารามีแต่แต่ยังมันไม่ยังไม่เกิดตอนที่เราคัาเราสร้างสร้างไปอย่างนี้ถ้าถ้ามาเกิดตอนตอนเราจะตายนี่ก็นั่นก็มีท้านว่าอย่างนั้นเราค่อยๆทำไป ตั้งเราสร้างบารมีสร้างแต่เก่าแต่ขอนนั้นนะ่ะคือเราตั้งแต่บันเราเกิดมานั้นนะ่ะเรายังไม่รู้แต่ว่าเราก็มาเข้าใจเออเรามาทำามาให้ทานการรักษาสิ้นทำบุญเล็กเล็กน้อยแต่เรายังไม่มาปฏิพฤติปฏิบัติเนั้ยเราก็อยากได้อยู่แล้วแต่ก่อสิงที่นี่ยังไม่ไเกิดพอเรามาปฏิบัติปฏิบัตินี่เหมือนกันนั่นแหละทารบางงาน คือว่าของตะเก่าตะก่อนยังมันยังไม่เกิดนี่ก็เขาเรียกว่าบุญบุญเก่าเราที่ยังไม่เกิดนั่คือเราอยู่ทาเดียวนี้เติมใจจะขาดมั้งขับลานั่นน่ะเขาเรียกว่ามันมันเกิดบุญบุญเราที่เกิดมันเพิ่งเกิดมันยังไม่เกิดถ้านบ้างนั้นตายไปนั้นมันเข้ามาก็มีมันจะค่อยได้เห็นก็มีหลวงพ่อเขาเข้ามามันจะปมันเป็นยังไงครับ มันจะต้องเข้ามาทุกคนน่นะนะมันมาว่าบาดเดียวเมื่อก็ไปท่านว่าอย่างนั้นถ้าคนเรามาปฏิบัติได้เข้าเนี่ยบตอนมีตายเนี่ยมันจะไปเห็นเข้ามาแล้วก็เมื่อก็จะเราปฏิบัติยังไปเข้าใจเมื่อก็มันจะค่อยเข้าใจเข้าใจแล้วก็ใจเมื่อก็ใจขาดไปพร้อมกับใจขาดก็มีทานว่าอย่างนั้นแล้วก็คนปรมีนี่คือคนขยัน คนขยันคนขยันไปไหนก็ไม่ออดไม่อยากออไปไหนก็มีคนรักมีคนชอบถ้าคนที่เกียรือข้น้นนี้ไม่มีคนจะคบคาสมาคมนั่นแหละแล้วก็เป็นคนทุกคนจนด้วยไปหาอะไรก็ให้พอปากพอกินทานว่ายอย่างนั้นแล้วก็เรอาอสร้างบา ร, รมีนี่ก็ต้องก็อดไปปะเนี้ว่าเทวะจะไป เป็นไปปฏิบัติทำพุทโธทำเนาะอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งที่เข้าป่าเข้าดงวันนั้นนะคิดว่าจะไปอย่างนั้นแล้วหลวงปู่ท่านก็เลยให้สร้างบารมีขอนก็บางทีมันมีบารมีนี่จะได้ไปนิพพานนย่างนั้นเทพคิดคิดไปคอลองอุตส่าห์พากันมาบัณมามุจจากพยายามมาทำไป อยู่ที่จังหวัดจันทร์ก็ไปไปอยู่ที่พัทน้มในก็ไปมานี่อะมันก็ไม่รู้อันนี้ไมนยังไม่เข้าใจเลยบา น, นี้ก็มาเข้ามาอยู่ที่บ้านพ่อจันมาอยู่กัาาลวงพ่อจันทร์ก็มาสึกกับยลวงพ่อจันนี่แหละท่านห้เจ็บอารมณ์อยู่สิบสองวันมา น, นี้คอไปเก็บอยู่ ทำไรเน่ก็มาได้บระเด็ น, น, นอันความที่เราเข้าใจสิ่งที่มันพูดกันมันถามกันนั่นมันก็หายไปจงหมดเลยมาสงสัยให้ลูกลูกตัวตัวท้วอมลูกตัวท้อพอมในครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกตัวท้อพอ ม, ววมนเนีเนเน่ว่ามันจะกระดิกมือเล่นเล่นนนึกว่ามป็นรูปหมดตัวหมดตัวแล้วก็เดินไปไหนเด้กก็ว่ามันจะรูปไปหมดก็ไปกลุมตั้งแต่ความรู้แต่เดินไปไหนให้ไปไหน จนมันจนนั่นไปหมดเลยเที่ยงขาเนี่ยมันไม่เดินไปนี่จะเหยียบเหยียบพื้นเนี่ยมันจะรู้สึกนี่เมื่อไหร่นานๆเนี่ยมันจะเห็นมันไปเบื่อเลไปควบข่มแต่ตัวเองกลัวแต่มันจะไม่รู้ว่าจะมันจะมันเห็นเนี่ยเราก็อยากจะได้ทธรว่านะอยากจะได้เหลือที่สุดเลย่ความอยากตัวนี้แหละมันว่ากุ้มมันมาพาให้หลงทางอ่ะ ทำอะไรก็อยากจะได้แต่พื่อพือว่าแต่ลงเดินไปเรงว่าธรรมะมันจะมาเกิดรอให้มันมาเกิดอย่างนั้นนี่มันไม่รู้อยากไ่เข้าใจบันนี้พออยู่กับพ่อมาเจ็บจะถึงวันแล้วเอากูนี้จะตายที่ไหนเกยได้เนี่ยมันจะไม่รู้เลยโถตายเลยเนีมันอยากนอนก็ไม่นอนมันอยากไปทั้งไปไเอาอยู่อย่างนั้นแหละหมดวันหมดคืนเลยพอว่าวันหนึ่งไอ้จนจะเข้าจนจะออกแล้วไม่เลย เดินไปเดินไปก็มันก็ไม่รู้มันเหมือนไปหมดแล้วก็อดจ่าพยายามมากไปหาเอาไม้มาแทงเปนเทานับเท่าอยู่ของเองว่ามันเหมือนมันจะรู้สึกไหมเออก็เอามาแทงมันก็เจ็บเอ๊มันว่ามันไม่รู้สึกมันก็ยังรู้อยากนะว่ามันก็ว่กมันไม่รู้สึกมันก็ยังรู้สึกอยู่มันี่ก็มานั่งอยู่มาเดินไปหลับตาเดินมันก็เห็นตัวเอง แก้าวกขารู้จกักเดินไปเขรู้จกักเขามานั่งอยู่อีกนั่งอยู่มาเอามือไว้ทัางหลังมาไว้ทัางหลังมาถามตัวเองว่านิมืออยู่ที่ไหนอยู่ทั้งแงหลั ง, ล, งลองกําทีลองเหยียดตี้ก็ไปขออลู่อา่ตัวนี้ละมั้งตัวลู่เออแล้วก็เลยปฏิบัติมานั่งนั่งก็เดินไปเดินไปนี่ก็หลับตาเดินมันก็เห็น มันนั่งยกมือมันก็เห็นไม่าเราขึ้นเอาลงเอาไปเอามาแล้วเข้าใจ <S <S อ เ, เอ๊ตัวนี้ด้วยตัวนู้ก็เลยมานั่งเอาตัวนี้เลยพอนั่งไปนั่งมานี่ว่าวันนั้นก็พอประมาณสามโมงเย็นนี่แหละก็ปวดปัสสวะเข้าไปในช่วม <S <S พอพญ่ปีจับจะไปจับฝาช่วงนี่แหะไม่ค่อยๆก็ไมีเป็นดังแม่เด็กเนี่ยมันมาบ ด, ดมือ กลับติดไปกับกับไม้น so ่ะน mm ี hmm. yeah. Yeah. So ่ก no, so ับไม้ประตูน hmm. mm ่ะ hmm. ก mm ็ไปจับ hmm. จ mm ับ hmm. ม right. yep. right. ันก็คายๆมันดูดปั๊บเอ๊แต่ก่อนมันเป็นเป็นนี่เป็นนี่แต่ก่อนคือมาเห็นไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้ก็เดินไปน่ะพอเดินไปอีกนั่นไปอีกพอหยับดินปั๊บปั๊บปับไปก็มันเป็นเองอ่ะมันเป็นเองมันรู้เองก็ปั๊บปั๊บลูกลู้รู้รู้บนี้มันมันไม่ นั่นได้ลูกบ้างไม่ลูกบ้างเห็นพอมันบอกไปก็เอาเข้ามาเห็นไปเมื่เอเขาอกเข้าไปเขาเอามาเขามามองมองดูแต่นี่ลืมคิดวะเนี่ยเรื่องคิดมันก็ไม่คิดเราคิดเห็นเห็นตัวเจา้าตัวรู้สึกกลับไปกลับมาวันนั้นวันยังคำํำสบายใจไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อ ย, อ ย, อยนนหนีไปไหนไดอารมณ์ตลอดเลยได้เข้าใจธรรมานี่โอ้ธรรมา น, านี่จะรู้ธรรมะมั้งเนี่ยเป็น์หนึ่งเนี่ย เก็เงินตอนนี้ไว้เนาะว่ะวันนี้ก็เดินไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็คิดดีอกดีใจตั้งแต่ก่อนเราก็พี่ไปคิดวันนี้พอมาเข้าใจอันนี้ก็สบายใจอ่มันไม่คิดคือว่าจิตใจมันมีเตี่อยู่แล้วภายในมันทีมีเตี่ใสก็เลยมีความภาคภูมิัวเองดีอกดีใจ แล้วก็เดินไปวันย่างค่าไม่เป็นอะไรแล้ ว, ลวพอตื่นขึ้นมาอาพอลุกนอนนอนนอนไปเนี่ยมันติงพี่เคิงติงตัวเขารู้จักตึงตัวก่อนไม่คิดคิดจนไม่จนนอนไม่หลับเลยตอนจะ น, นอนเนี่ยวันเนี่ยมันนอนหลับอรู้สึกมันก็รู้สึ ก, สกเหยียดเท้าเหยียดขา ม, มันก็รู้สึกแบบ น, นี้ก็ตอนตีสี่ตีสามลุกขึ้นมา มาก็มาเพื่อปฏิบัติเนี่ยก็มาเข้าใจมามันมาเกิดขึ้ น, นพอมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยวัดจะหนักหมดทั้งหมดตัวเลยขานี่ยจนยิ่ยกไปขึ้นเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นแบบเนี่ยดังเรนไพร์บันไดได้หลงอารมณ์หลงอารมณ์ตัวเองเลยเดินหาเดินหาอยากจะเห็นอารมณ์ที่เราตั้งแต่ตอนที่เราลวมมาแล้วนั่นน่ะ มันนั่นแหละหมดีุกข์เดินไปเดินมาเดินไปเดินมานี่ก็หนักแล้วเขาไม่รู้อะไรสับสนวุ่นวายเลยนี่เป็นอย่างนี้มันจะไม่ตายนะี่เอออยากลมอยากตายแล้ววันเนี้ยอยากไปผูกคอตายอยากไปฆ่าตัวเตียงตายมันไม่มีบุญไม่มีวาตนาหมดบารมีไม่มีวาเลย ม, ม, ม, มีแล้วอถึงขนาดนั่นแหละแล้วก็เอาไปเอามา เผอไปอยังไงไม่รู้เผอไปคล้ายๆกับอะไรมาเถียนคอมันดุออกจากคอเราเนี่ยลูมันก็ตื่นขึ้นแลวน้วเรามันดมันดังดังในแรงนะ่ะก็มันก็เลยลงว่านันงมันเข้าอยู่ในทำอะไรแบบเนี้ยดูในอารมณ์ถึงที่มันอ่มันเป็นเนี่ยมันก็สว่างสวัยมันก็เบาออก คล้ายๆเไม่มีอะไรในตัวเราเนี่ยเดินไปนู้นก็ปิลไปเลยก็มีความผ้าพุ่มหมวกพ้าพุ่มใจเรืียงว่าดัมธรรมะเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรดอกวันนี้พอมันเป็ น, นแน่นก็เดินไปเดินไปก็เห็นเสาต้นนั้นเออเห็นเสาว่าไปเห็นต้นไม้ต้นเสานั่ยเห็นว่ามันเป็นลูกอีดีลูกเนี่ยนี่เนียกว่าลูกวันนี้ก็มาดูตัวเอง ก็เห็นตัวเองโ อ, อต้ตัวรูปนี่ก็ตัวรูปนี่ก็ตัวเราเนี่ย ก, กายกับร่างกายก็รูปแล้วเนี่ยใ่รูปแล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่นะนะเห็นเลาขนลูกขนผองอะ่ะมันไป็ธรรมดาเออวันนี้ก็อยากจะเห็นอีกรูปนี่มันเป็นนี้นหนามมันจะเป็นยไงดูไปดูมาเดินไปเดินมากลับไปกลับมาก็ไปพักอยู่ มันเหนื่อยก็มาสร้างจังวะสรางอว่มาเห็นไปกลับไปกลับมามันก็เข้าใจใลูกมาเดินจังกรมบ อ, อกด้เนี่ยโอ้อันตัวใจนี่มันตัวรู้จึกที่เราเขลืนไหวอยู่มันก็เป็นใจแล้วเนี่ยเป็นรูปโอเป็นนามแล้ ว, นนาลวกายกับใจมันอยู่ด้วยกันราะได้รู้จักรูปนามพอมันรู้จักรูปนามแล้วก็บริเนกตาแล้วไปหู ไ, ปได้ยิน มันก็เป็นมีรูปมีน้ำเดินเดือดเดือบไบนฟ้าก็เห็นโอ้อันนั้นก็เป็นรูปอันนี้ก็เป็นนาำต่อเห็นตัวหนึ่งตัวรูกตัวหนึ่งนี่เข้าใจปะเนี่ยเข้าใจรูปเข้าใจนาำต่อเห็นเป็นรูปตัวลูกเป็นน้ำก็เห็นเรูปตัวลูกเป็นน้ำโยอย่างเงี้ยบนเจ้าของเดินไปก็ว่าไปเล่นเล่นไปขับม้าก่อสบายไปคิดเห็นคนนั้นคิดเห็นคนนี้เกิดมาจากจิตจากใจของเราเนี่ยเห็นรูปเห็นน้ำเห็น คิดเห็นพ่อเห็นแม่คิดเห็นพี่เห็นน้องจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอ้วนทงองอาจไม่อยากว่าใครเลยปะเนี่ยกาหาันอ๋อมีความภาคภูมิภาคภูมภิมใจว่าตัวเองนเข้าใจธรรมะแล้วนะอยากอยาไปให้สอนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องฟังถ้าเราเกิดมาถ้าไม่เห็นจริงนี่เราก็เกิดมาเล่น นื่คือหลงตนลืมตัวหลงขายลืมใจตั้งแต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นเราเป็นผู้ทุกเดี๋ยวทุกเกิดมาขึ้นเราก็ไม่เห็นมีแต่เพลิดเพลินด้วยกมันบางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็เป็นสุขคิดเห็นแล้วก็มาเข้าใจอย่างนี้ก็คิดเห็นพี่เอน้องก็ร้องไห้อืคิดเห็นพระพุทธเจ้าคิดเห็นหลวงปู่เทียนอืคิดไปทั่วนั่นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นก็ร้องไห้อยู่คนเดียว อันนี้พอสายสายมาแล้วก็อยากได้ออกจากที่ห้องเก็บอารมณ์ก็ここไม่อยากออกเลยแต่ว่ามันจำเป็นพอถึงเวลาเราก็ต้องออกออกไปนี่กับหลวงพ่อเทียนนนหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์ท่านก็นพาไปบ้านของนี่ของนี้ที่บ้านที่อาจารย์ อาจารย์น่นละหรือมนั่นแหละอยู่อยู่เนี่บ้านใชุผมเนี่ยอยู่ที่นั่นแหะแล้วไปอยู่ที่นั่นแหะวันนี้ท่านก็ให้ไปพูดธรรมะบันนียให้ไปพูดธรรมะที่แรกไปพูดอยู่ที่นั่นเลยวันี้ก็พูดเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่ผมพูดที่มาเนี่ยพูดเรื่องอันนี้นะให้เขาคนฟังคนอื่นเขาก็ เข้าใจกับหลวงพ่อนี่หลายคนอยู่ที่พูดด้วยฟังแล้วก็ฟังกันปฏิบัติตัวมาถามหลวงพ่ออยู่แลวงพ่อก็คนน้อยๆคนใหม่ๆอยู่มันก็ไม่ค่อยพูดไม่ก็ถึกไม่ถูกหรอกแต่ว่าเขาชอบฟังเขาไปให้ตั้งแต่หลวงพ่อพูด อ, อืต่อไปต่อมาก็ไปกับไปจันมหาเดลเลย ก, ก็ไปที่ไหนที่ไหนก็ให้ใต้หลวงพ่อพูดเนียวันนี้ก็ พระมาจากไหนก็เขาติดอารมณ์มาแต่แตก็ให้ท่านเด็หลวงพ่อเข้าไปไปพูดแต่ไม่เอาไปเอามาแล้วบ้านี้มันก็นานมาก็ใช่แต่หลวงพ่อเป็นวิปัตสนูก็ไม่แก้ให้อืมให้แจ้มไพ่ก็มันก็หลงอารมณ์แหละบ้านี้อารมณ์ไปมันหมดคําพูดเลยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ออกเลยไปให้แต่สอนทุกค น, นบ้านี้ก็อาจารย์มหาเด่นเล็กน่ะพาไปอีก ท่านเอาไปไว้ด้วยได้ปะเนี่ยเอาไ ป, ไปอยู่ที่จังหวัดจังหวัดแพร่ไปอยู่กับาศานโน่น น, น, นีน่ต้องปีสามปีนั่นแหละไปอยู่ ท, ยท่านยังได้อารมณ์กลับขึ้นมาอแล้วก็ไ ป, ไปดวงนี้ไม่ได้หยุดหรอกจนว่าไ ม, ไม่ไม่ดีหรอ ก, รอกคนคนเรา อ, ะอ่ะอยากอยากอยากไปสอนคนท่าพระใหม่ใหม่นี่ยก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ ให้อยู่จะคู่วายจาร์นี่หลายปีก่อนอย่าด่วนเฝ้าไว้คูดเรื่องธรรมะธรรมุเนี่ยมันไม่ฆ่าตัวเองอ่ะมันไม่เข้าใจตั้งแต่กอนนึกว่ามันดีนึกว่ามันถูกต้องแล้วมันมาเข้าใจแล้วมันมันไม่ดีนั่นแหละน่ยมันมันไม่มีปัญญาประนีประนอมมันมัวมอนเดิมเราเพราะฉะนั้นในเราปฏิบัติใหม่ใม่เนี่ยพยายามให้ รู้แล้วอยากไปอยากไปสอนใหให้เอาตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็มันจะไม่ไม่ดีธรรมะเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ดีมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีถ้าคนไหนที่เขาไม่พูดเนี่ยเคยไปโดยกันเนี่ยเขารู้จักธรรมะอยู่แต่เขาไม่พูดไปที่ไหนเขาก็ไม่พูดแต่ต่อมาเนี่ยเขาค่อย พูดธรรมะพูดธรรมะนี่เขาพวกไปเรามันจะเข้าใจมันจะถับฟังได้ง่ายๆเขาพูดนะมันดีเพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นอดี๋ยวไปเป็นอย่างนั้นค่อยอดทนเอาอย่าไปอย่ากสอนผอหลวงพน่ อ, อ น, นี่มันมีตั้งแต่คนมิตรหูไปไหนมีแต่หูแต่พวกร้ายหลา ย, ลายพวกขูบายาจใหญ่ๆก็เหมือนกันพูดใหม่ๆนี่ผมไปพูดตัวที่ ทั้งเนี่ยที่ทั้พไปพาไปจังหวัดมหาสารคามเนี่ยไปโพตุวบวันอะไรเนาะมาบานยางหน่อยหรืออะไรไปกับหลวงพ่อนะแต่ว่าหลวงพ่อมันรู้จักหรอกไปด้วกันบ้า น, นี้ให้บ้า น, นั่นแล้วก็ให้หลวงพ่อขึ้นเทศขึ้นเทศเนี่ยแต่ว่ามันบางท่านเป็นกรรมเป็น เป็นไม่ปตัตโนยังไม่หายมันไม่อดหรอกอคําพูดอะ่ะมันนี่ก็พูดเรื่องนี่แนหะเรื่องเรื่องผีเรื่อ ง, งเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรืร่อ ง, งอะไรคนฟังเนี่พว ก, พวกที่พว ก, พวกอยู่ทางหลังนะ่ะมีแต่พวกนะักพระใหญ่ใหญ่เลยพระเจ้าคณะตำบลเทนออํเาเภอเขามีไปอยู่ทางหลังอะ่ะจังโบพง่องวพวกไปเข า, าก็กานมุมมั่วมามเข า, าก็การเรียกว่าโอ้มัน <pouch. S 2> เต็มองนี้เลยทำไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื memory, at, people people, on, way, ่องเรื่องผีเรื่องผีนี่เรื่อความอันนี้แหะความโกรธความโมโหความอะไรหลายๆอย่างเยอะพูดที่เขาฟังเรื่องเนี่ยเรื่องสัตว์ทะเลชันเรื่องเป็ดเรื่องอสุรกายเรื่องตัณโลกมันเนี่ยนะพูดให้เขาฟังเมื่อมันตั้งแต่ก่อนเขาเน่ยเขาเข้าใจว่าตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มันยึดหอกตัวเราตายไปแล้วก็จะไปเห็นโรกสวรรค์เห็นเนี่ยเนี่ย น้องเคยเรรู้จักเป็นนิพานนพานก็ตายไปแล้วยิงจะไปเห็นนิพพานนิพพานเขาไม่อยู่นี่เราอยู่ทั้งบนฟ้าอยู่ทีุ่ณหเน่ยเขพูดกันใะสวรรค์นี่พานแต่ว่าเราไม่ไม่เอาแบบนั้นก็ก็พูดไปอย่างที่เอเห็นนั่นแหละพูดให้เขาฟัง โอ้คุยวายอาจารย์ก็ไม่อยากให้ตลองพ่อนี้เราะพอดีหลวงพ่อก็มีธุระทั้ง้านก็ได้เทศแล้วก็มาฉันเข้าฉันก็เรกมาบ้านพอดีคนอยากให้อยู่ไม่อยากให้มานีไม่ไม่อยากให้หนีเลยโอยแล้วก็มันก็แคนั้นแหละเพราะฉะนั้นราอยาไปนั้นให้พยายามทําตัวเองให้ดูตัวเอง ให้รูปรูปรูปนามให้รู ป, ร, ปรูปทำนามทำที่แยกกันก็ให้มาดูรูปทำนามทำติแยกได้ง่ายๆรูปความนานมมาแยกอกันน ะ, ะคือตัวรูปตึกตัวเราทรํางานรูปทำก็คือเราทําการทํางานนะเอาความรู้สึกนี่ไปประกอบเข้าเนี่ยมันก็เป็นเนะี่ขันทั้งห้าขันทั้งขันทั้งสี่เนี่ยมันมาอยู่เกิดมาพร้อมกันนัดเด็ดนั่ น, น, หนแหละทันแต่เกิด กับกายของเเนี่ยมันออกมาพร้อมกันมันเกิดมาจัวนี้ท่องพ่อท่องแม่เราเนี่ะเกิดมาแล้วก็มันความรู้สึกมันมีมาเรื่อยๆมานะครมาพอมาเรามันรู้จักเข้ารู้จักคลายรู้จักใจแล้วก็รู้จักรูปมันเป็นงานรูปเป็นนามมันเป็นรูปเป็นนามนะมันก็มาเข้าใจโอ้อันตัวรู้สึกนี่มันเป็นเป็นนามมันกัวอยู่เนี่ยรูปนามเนี่ยมันเดินด้วยกัน เนี่ยจะว่าถ้าเราอยู่นานๆไปมันก็มันก็รู่ค่อยๆรู้จักเรื่อยๆไปรูปตา ม, ร, ร, ร, ม, า ม, ร, มรูปทำนามทำรูปสมมุตินามสมมุติเราเห็นน่ะรูปโลกรูปนะ่ะทุกคำนั้นนิจังนันตาลูปจยากค่อยๆรู้จักอย่างตลวงพ่ท่านสอนท่านสอนว่าสอนให้รู้จักเป็นหลักเป็นหลักไปหลวงหลวงปู่ท่านสอนรู้จักรูก รู้จากนามรู้จักลูกทำนามทำรู้จักลูกโลกโูกจากทุกขังอนิจจังอนัตตารู้จากสมมุติรู้จักศาสนารู้จักพระพุทธศาสนารู้จักบาปอุญคุณโทษรู้จากนรกรู้จักสวรรค์แล้วก็หมดอารมณ์ลูกนามจบยี่นั่นแล้วก็ได้ก็ไปขึ้นอโลคุตระคือมาดูกายเวทนาคิธรรมาดูนนทั้งนนท์มันก็ ไม่อยากเท่าไหร่มันมันดากอยู่ที่โลกิยะของเราเนี่ยวกคนเวียนว่ายตายเกิดดูไม่จบจบจากทินนั่นแหละคิดแล้วคิดอีกมุโสแล้วทุกทุกแล้วทุกอีกเนี่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นไม่สุดต้งยิ่ดับไปก็เรื่องถึงที่มันเกิดอยู่กับที่เราอยู่นี่เนี่ยเป็นอนาคตก็ตามวุถอดีตก็ตามมันคดเรื่อง น, น, งนั้นจบตรงนี้มันเอาเรื่องนั้นมาคิดจบเรื่องนั้นเเรื่องนั้นมาคิดอดีตบ้างชอบบ้างสนุกสนาน ก็มีหวัวเราะหอกให้ถ้าเราพระเต็มจะเกิดขึ้นมาสับสนง่ายในนี้เพราะฉะนั้นมาเข้าใจเรื่องเนี่ยเรื่องทุกข์มันเกิดหรือเกิดมาถ้าเราไม่มาเพื่อปฏิบัติแบบนี้นั่นเราจะหลวงเทพอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราพยายามมาดูชีวิตจิตใจของเราเออให้มันเข้าไปที่ไหนให้เรารู้จักรู้จักท่ามันรู้จักดูมัน อย่าไปเชื่อมันสิ่งเดีที่เกิดไม่มีสิ่งที่จะมีสิ่งที่นั่นเลยมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีสิ่ิงผิที่จะละลายสะไหลไปไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยไปนั่นเลยแต่มันเกิดขึ้นมานมันเหลมันดีหมดทุกอย่างเนี่ยมามาเข้าใจแล้วก็เราก็รู้จักสิ่งที่มาเกิดอยู่กับเราเนี่ยนะทุกคำนิจหน้าตามันก็ไม่อยู่ใคร มันก็อยู่กับที่การเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างนทั้งกายทั้งมาจาทั้งใจให้ค่อยๆหาเอาเราอยากไปรู้จักก่อนนั่นให้เราค่อยทําไปให้มันเกิดขึ้นมาอันนี้เกิดก็ให้เรารู้เฉยๆอย่าค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปหลวงพ่อมันไม่มีความรู้มันปัญญาน้ย่ยมันตีออกมันตีไปมันก่ไม่ได้แต่ว่าถ้าคนมาถามเรื่องอะไรก็ตามแต่พูดไปได้แต่ว่าไม่จน แต่ว่ามันจะไปพูดเป็นคอนเป็นคอนไปมันพูดไม่ไหวมันรู้อยากไม่ไม่อยากมันมันด้วยจากมันมันด้วยดิบภาษาคําพูดไม่รู้อันก็จะพูดไายังไงอันเรื่องนั้นมันเกิดให้เราเห็นอย่างนั้นก็มีแต่ว่ามาถามก็ไม่เป็นไรดีมากคนมาถามน่ะขั้นไม่มีคนมาถามเนี่มันก็คุปคาพูดมันก็ไม่พาดถามไม่จะตอบไม่ได้ไม่มี ถ้าใครเป็นอะไรอะไรอันนี้ไปถามถามก็ตอบได้อยู่แล้วพูดใมาแล้วคอยต้องควานเจริญแล้วอายุติเบียงไปนี่เอ๋บางคนมี น, าานี่บ้างอยู่นี่